มาทำรัดจบแล้วก็มีการให้ข้อคิดเพื่อเราจะได้ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคนคิดคนเห็นของคน ม, มัไม่เหมือนกันมัในไม่เป็นได้อาศัยคูบาจารย์หรือตำหรักตำยาเป็นเครื่องวัดเมื่อคูบาจารย์คอยแนะนำ เตือนสิ่งที่ผิดๆ น, นั่นหอะท่านเตือนเราใ น, นการปฏิบัติธรรมะมีอันตรายที่มนพ่อได้ทำมาบางคนไม่รู้บางคนรู้ผู้มีปัญญารู้ได้ด้วยตนเองผู้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้ตพอาศัยเพื่อนหรือครูบ า, าอาจารย์คอยแนะนำ่าอันนั้นมันไม่ควร แล่นจาเป็นการสั่งทั้งเซาทั้งเย็นเมืม่อเรามาปฏิบัติธรรมะบางคนนั่งไมไ่ทำรู้อะไรคิดนี้นคิดนีน้คิดไม่มีทางสิ้นจบอันนั้นนี่จะเปนคิดนอกตัวเราไปเป็นอุปสรรคต่อ ก, ก, การปฏิบัติธรรมะไม่ได้เรื่องอันน้มื่อเราจึงจให้ครูบาอาจารย์ไม่ต้องคิด มันจะเตือนเราต้อมาคิดอยู่กับครกตัวเรากำลังมันเลิกมันคิดมันเครื่อนมันไหลโดยวิธีเราก็ให้รู้เมื่ลองามาดูทุกตัวเราเป็นรู้ที่นอกตัวเราก็ได้ดีบางคนปฏิบัติธรรมะรูเรื่องเรอง เ, รองเรื่องนามเรื่องคุกขังอนิจจังอนัตตาเรื่องศาสนาพุทธศาสนาเรื่องหนาเรื่องดินรู้ได้เรื่อ ง, อ ง, น, อองนี้ แต่พอดีร้เรื่องนี้แล้วก็สผลออกไปข้างนอกไปคิดถึงคนนั้นไปคิดถึงคนนี้มีความเมตตาสงสารกินดูเลื่อนเฟงอยากให้เขามาลู้มาเห็นด้วยเราอันนี้กปผิดเหมือนกันดัะ น, นั้นครวทีติตรเมวิวิตราจิตรยามเป็นอุปสรรคต่กอการปฏิบัติธรรมะคำวิจิตรเมวเราวขาไม่รู หรอนี่มันจะมีอุปากิเลนนี่ตลาดก็คนเห็นผิดคือมันจิตมันนั้นมาเอามาเป็นที่ตั้งเอาไว้เมื่อตั้งไว้ผิดปฏิบัติมันก็เลยผิดไปเมื่อตั้งไว้ถูกต้องรือเห็นก็เลยถูกต้องเมื่อนํามาใช้นํามาปฏิบัติมันก็ได้ผลดีเองแต่ในเมื่อเรารู้เช่นนี้เราคิดพุ่งออกไปนอกตัวเรารู บางทีแสดงทำมให้คน น, คนั่นคนนี้กังหรวอพ่อเคยได้ยินบางคนกำลังเดินจนอมไปเอาสอเอากระดาษไปวางไว้ที่ข้างๆคนนี้มันคิดไปบันทึกเอาไว้กลัวมันจะหลงจะลื ม, ลมอัน น, นพผิดแล้วลมันเป็นวิปัสสนุไปแล้วเีินก็ตามมันมันไม่เงินประโยชน์อะไรมันแก้ทุกข์ไม่ได้อันนั้น แล้วก็พยายามลดละกันนั้นอย่าให้มันกออกรู้ออกไปข้างนอกจะไปสศนสารคนนั้นคนนี้ไม่ต้องไปสงสารใครทั้งหมดเลยต้องสงสารตัวเราต้องทําความรู้สึกกับตัวเราคิดว่าคนนั้นจะให้ความสุขแก่เราบางคนบางคนมันจะไปโก ด, ดคนนั้นให้คนค น, น, นั้นมีความสุขอันันผิดเป็นคนคิดถิดตั้งไว้ผิด ผลที่การปฏิบัติของเราเกิดเป็นรับทษกลุทุกจริงๆแล้วมันไม่ได้มีที่ตัวเราเราไปเอาความคิดของคนอื่นมนาะตั้งไว้เราเก็เลยเป็นกุมทุกพูดน้อยเราจะให้รู้กันได้ผู้มีปัญญาทุกเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ความคิดนเอเองเมื่อเราไม่รู้ความคิดมันก็นเลยคิด พอเราคิดมาแล้วเราก็เลยเข้าไปในความคิดอันนั้นเมื่อเข้าไปในความคิดอันนั้นมันก็นเลยเป็นโทสะเป็นโมหะเป็นโมพะเนี่ยเขาเป็นโทสะบางทีคนนั้นพูดให้เราเกิดไม่พอใจขึ้นแต่กนจริงอันไม่พอใจนั้นมันไม่หนึ่ที่ตัวเรามันยังไงในขณะที่มันเกิดก็ไม่พอใจเมือนกันเพราะว่าเราลืมตัวเราเรามีโมหะเรามีโทสะมีโมหะ มันเกิดมาปรงขึ้นมาที่จิตใจของเราอันนั้นก็แปลว่าคนหลุดตัวบางครัง้งบางคราวคนมาจะมาเสริมยกยอเราคน้ดีคนไม่ไดีดีคนนั่นค น, น, นไม่ดีก็เกิดนนอพอใจขึ้นมาแล้วก็คิดแต่ละคิดประจําเป็นดีใจแล้วก็เป็นโลภเป็นโทสะเป็นโมหะไปแล้วอันนั้นก็คลิดเหมือนกันหลวอพ่อเคยพูดให้ฟังว่า เมือสีดําเป็นมองเห็นได้เลยถ้าเมือสีขาวเป็นมองเห็นได้ยากเมือสีดําคือคนโกดมาแสดงให้ใครๆก็รู้เรื่องคนโกดในเด็กเนีอดเขาก็รู้แสดงคนไม่พอใจอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันมีกิริยามารย า, ร า, ยาทพูดออกมาข้างนอกให้คนเห็นใครก็รู้อันนั้นเรื่อเมือสีดําถ้าเป็นเมือสีขาวแบบนี้ มือสีขาวควรพอใจคนมายเยกยอเรามาเสนอเส้นเราก็ดิ้นลืมตัวเ น, นื้มือสีขาวคนอื่นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะคนไม่มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาแล้วเขาจะมองรู้ทันทีเนี่ยเอาแล้วคนหลงผิดไปแล้วดังนั้นคนคิดนี่ทีแรกมันไม่ได้ทุกข์พอที่มันคิดขึ้นมาเราเข้าไปในคนคิด มันคิดเป็นโลภะคิดเป็นโทสะเป็นโมหะไปเนีมันเป็นทุกทางนะั้นทุกทุกคนไม่รู้คนคิดในเองแค่หาักวาก่าเรามีปัญญามันคิดปุ๊บขึ้นมาเราเห็นทันทีรูต้ตัดทับได้ทันทีมันก็เลยไม่ได้ิดมันนั่นสอนวิธีกันนี่สอนง่ายที่สุดพระพุทธเจ้าท่านสอนง่ายที่สุดและท่านก็ได้สอนมากดี๋ยวนีสมัยเมื่อคูบาอาจารย์มาสอนกันมาก เลยจับต้นจนตายไม่ได้เมื่อบางทีคนพกเงื่อที่ปฏิบัติหนักถือเราไม่ควรรู้เราไปเรียนมาแล้วจากกตำลักตาลาเราท่องเราจํามาได้หรือบางทีเราไปเข้าโรงเรียนท่องมาแทบจะตายแก่ทุกตัวเองก็ไม่ได้คนรรู้อันนั้นอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มันมันเป็นเม็ดสองขมมันก็เลยตักมือเราด้วยนนวมันมาริตะมัน มันดีมันดีเกี่ยพูดให้คนอื่นฟังมันไม่ดีที่ที่จะมาแก้ตัวเรามันเไม่ได้มีประโยชน์มันไม่ไม่ได้มีคุณค่ากับตัวเรามันไม่ทําประโยชน์อะไรเราทั้งหมดเลยมันทําประโยชน์ให้เราไปทุกข์เท่านั้ น, นวันนั้นคนเราเกิดมาเรากับคิดคิดแล้วก็คิดคิดอันนั้นคิดอันนี้บางคนมีโลกคิดกับโลก บางคนมีบ้านคิดกับบ้านบางคนมีนามีสวนคิดกับนากับสวนบางคนมีเงินมีสร้อยคอมีเหรียญเพชรมีนาฬิกาต่างๆคนมันมีไม่เหมือนกันกับไปคิดมันสิ่งของเอาไว้เนี่ยเงนตั้งคนหวังคนนั้นจริงว่าดูได้แต่คนหวังถ้าไม่มีคนหวังขาดคนหวังเสียอย่างเดียวก็หมดเลยหมดเลยคนหนึ่งไม่มีคนเป็นมนุกย์ไม่มีละ ว่ามีทุกควรเป็นอะไ ร, ร, รไม่รู้นี่เป็นยังไง น, นั้นการปฏิบัติธรรมะี่งไม่ต้องตั้งความหวังอันทั้งหมดตั้งตั้งความหวังมารู้สึทที่ตัวเรา ร, รู้มันเคลื่อนไหวก็รู้มันคุบก็รู้แต่รู้รรไม่ได้เข้าไปในควมคิดอยากเข้าไปในควคิดถ้าเข้าไปในควคิดเป็นโมฆะเป็นโทสะเป็นโมหะ เป็นไปพร้อมกันทั้งสามอย่างทีเดียวมันไม่ใช่ว่าเป็นอันนั้นเป็นอันนี้ขึ้นมาแต่มันแสดงคนนันเื่องกันดัง น, นั้นการปฏิบัติธรรมจริงไม่ให้รู้อะไรมากไม่มันคิดมามากมาเราไม่สามารถที่จะแก้คนคิดอันนั้นได้เราต้องทำประตเมือเราแรงๆทำแรงๆวางมือลงที่ขาเราเรื่ยเราเดินจนกลมพื่อเท้าแรงๆ มันกระเทือนประสาทเรามันก็เลยกลับเข้ามาที่ตัวเรามันก็เลยไม่กลับไปหาคนอื่นมันก็ไม่เป็นโลภะไม่เป็นโทสะไม่เป็นโมหะเราก็เลยว่า e, เรามีสติเรามีปัญญามีสมาธิเป็นตัวยึดเสมอทุกขก็เลยหมดไปอย่างให้คนอื่นมาแก้ทุกข์ให้เรา ม, รมันแก้ไม่ได้เราต้องแก้ตัวเราอย่าไปต้งความหวังไห้กับคนนั้นอยไป้งความหวังได้กับคนนี้ เมื่อเราจะสร้างคนหวังกับคนนั้นไปสร้างคนหวังกับคนนี ha! ้อนนั้นทุกแล้วไม่มีเลยทุกเนี่ยไม่รี้จริงๆหลวงพ่อเคยปฏิบัติมาแล้วเข้าใจว่าคนอื่นเอาทุกมาให้เราแต่ความจริงเราเอาทุกมาจากคนอื่นทั้งนั้นคนอื่นไม่มีใครมาให้เราเราไปดึงออกมาเนี่ยมันก็เลยเป็นทุกเมื่อมันมีทุกเราก็หาว่าคนนั้นทําให้เราคนนี้ทําให้เราความจริงเราไม่รู้ มันไม่มีเรื่องอะไรนิดเดียวของมันเองเมื่อเรารู้ยิ่งก็่าเส้นผมน้อยกว่าเส้นผมคนที่มีปัญญารู้แก้ทุกข์นี่ยมันไม่ยากเอาดีๆคิดเล็กๆคิเล็กเห็นเท่านี้ก็ใส่ได้แต่ไม่ได้เห็นมากถ้าเห็นมากคนไม่ก็ยิ่งดีไปนี่เรื่อทธเจ้าสอนเรื่องแก้ทุกข์ดังนั้นคำสอนของพราพุเจ้าทั้งหมดเลย ไม่มีเลยที่จะสอนให้เป็นพิธีลีบองเป็นเครื่องรางของขังเป็นอันนั้นอันนี้นไม่มีเลยคนในปติทินนั้นคนนั้นยังไม่รู้วิธีแก้ทุกข์หรืู้ตรงๆไปเลยว่คนนั้นยังไม่รู้หลักพุทธศาสนาจริงๆอันนี้เหลวงพ่อรับรองได้เพราะหลวงพ่อเคยทำมาหลวงพ่อเคยทําบุญเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยทำกรรมาฐาน เคยจะเรียนนิพพานแต่ไม่ได้ดูจิต <c oughs> ลุก่าตายแล้วยังเอาบุญเนี่ยเข้าใจผิด <c oughs> ถ้าจะเรียนนิพพานก็จะเรียนไนั้นน่ะเป็นมิจฉาตายล้วยังจะได้พ้นไปกุลบุญมันเข้าใจไปอย่างผิดๆ <c oughs> บางคนจะเรียนนิพพานก็อยากเห็นดวงเห็นดาวเห็นดวงแก้วดวงพิพย์ดวงจันทร์เห็นอะไรต่างๆมันของไม่มีอะอยากจะนมิไปคิดมัน ของไม่มีมันลมันตั้งขึ้นมาเองมันมันจะไม่เห็ือนกับคิดมันมันตั้งขึ้นมาคนเดียวมันเหมนกับเราที่จะปลูกด้านสร้างวิมานในบินสว่างมันไม่มีพื้นฐานมันจะปลูกบ้านได้ไหมมันปลูกไม่ได้มันต้องอาศัยพื้นดินนี้มันจึงจะปลูกด้านขึ้นมาได้เต่ด้านเนี่ยเขาปลูกด้านปลูกลรวนปลูกติดปลูกล้านเขายังหาฐานดีๆขุดดินลงไป ลานนี้เมืเ่อพ่อไปที่บ้านเขาปลูกจริงขุดน้อยๆเตี้ยแต่มันไม่ทนาทานเือจะปลูกให้มันทนทานจริงๆลงเข็มตอกเข็มลงไปเด้งแน่นจึงถึงหินีวก็นี้ยปลุกลงไปมันก็ไม่สุกบ้านหลังมันไม่สุกเป็นที่แน่นหนามั่นคงถานร่อนถ้าไม่ลงเข็มขุดไปเล็กๆน้อยๆปลุกขึ้นไปท่าเครื่องดีเล่นนะ สุขึ้นมาสุดขึ้นมากะพังไปทันทีอันนี้กเหมือนกันการไปดูคนคิดเนี่ยมันเป็นพลังมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะว่าให้มัาดูคนคิดที่เราไปปลูกบ้านบนสวรรค์มันไม่มีพื้นฐานก็เราไปคิดคนนั่งจะให้คนสุขแก่เราอย่างนั้นคนนี้จะให้คนสุขแก่เราอย่างนี้มีหลังเอาหลังว่า แ, แต่ว่ากับคนนั้นตั้งคนหลังไว้กับคนนี้อันนั้นผิดแล้วทุกแล้ว มันทุกข์แล้วเราจะเอาคนทุกข์ของเราได้เลยแต่ให้คนมันคนนี้อันไม่ผิดผิดอย่างหนักทีเดียววิธีที่จะแก้ก็ไม่ยากเดินจงกมสร้างจังหวะสร้างจังหวะเมื่อมันคิดมันไม่หยุดมันเป็นจิตหัวมันคิดเป็นทุกข์มกนะแล้วก็วางลงที่เท้าเราแรงๆตึ๊บแลงๆคนคิดมันก็นเลยมัน มันมามีคนรู้สึกตัวมันก็เลยวางควาคิดอันนั้นเหมือนกับปิงเนี่งที่มาเกาะเรามันจึงเรามันดูดเลือดเราเราเอามือจับดึงมันออกมันไม่อยากออกติดต้นนั้นมากระดุกต้นไม่ติงมันมีอสองขามันเหนียวมันติดเมื่อเราเราไม่ต้องไปจับติงแบบนี้เรามีวิธีเราไม่ต้องไปจับปิงเอายากับปูนไปเซิงกับน้ําไปเอาน้ํากับปูนกับยาเนี่ย คันเข้ากันแลเวืวดเข้ากันดีๆเลยวปูนกับยามันได้น้ำตอนนั้เราก็จับออกปูนกับยานั้นเอาน้ําเำมาบีบเสรเนื้อเราพอดีเนื้อเรามันได้รับกับน้ำปูนน้ำยามันไหลลงไปทุกกระปากปิงปิงมันเริ่องคนเดียวมันเนี่ยมันเป็นวิธีวิธีพูดเนี่อมันมันมันเป็นเพียงที่สอนให้ทํากันเองดังนั้นเมื่อเรามาทําจุกพื้นมันเลยวางทั้งสองเท้าปิง มันก็เลยไม่มีอารมณ์มันก็เลยมาโลดสุดตัวเมื่อมันโลดสุดตัวปิงมันก็ไม่ได้กินเลือดเราเราไม่เจ็บเนี่ยสมุกเทศจางเมื่อในขนาดปิงดูที่กินเลือดกินเนื้อแล้วเราเจ็บเราเจ็บเรารู้ว่าปิงกัดเราแต่เรามบบดึงปิงออกเพราะดึงปิงออกเลือดมันปิดปากปิงไปบางทีเมื่อเราคาดไปก็ได้นะปิงนี้แต่หลวงพอไม่ไม่คือรู้มากขนาดแต่ว่าดึงปิงดึงทากออกจากเนื้อจากตัวเราเลือดมันไหลออกมา ถ้าเหตุการณ์ที่วิธีของพ่อพูดนี้เอาปูนกับยาหนึ่งเดือนน้ำลาดลงไปแล้วมันมันตัวตายไม่ยปิงกับยามันเป็นพิษมันเป็นอันตรายซ่วงกันแล้วครันมันวางเลยมันเลยไม่ดูดเรือดต่อไปเราก็ไม่เจ็บมันเล่นลงคนเดียวมันเพรานี่จุดปินตายเลยถ้าเ อ, อ, อยายาเอาปูนยองริงเขามันตายเลยอันนี้ก็เหมืมอนกันถ้าเราจะพยายามหาวิธี อยากให้มันวางคนคิดขอ้มันเราไปดูหนังดูผักพยนต์ดูลิเกละครไปดูอะไรต่างๆเราไปกดกลมทุกไว้ไม่ใช่ไปแก้ทุกนันนะเอาไปกบคุกเอาเหมือนกับสูงไฟขึ้นแล้วเอาเท้าหี่เอาดินไปกบได้ไฟมันไม่ดับไฟมันมีเสื้ออยู่ที่ตรงนั้นเราจะไปทำอย่างนั้นพอดีไฟมันลุกขึ้นมาเราเาน้ําไปลดน้ําไปกบเขาใฟมันเสูงขึ้นมาอย่าไปลดแท้ นึค่อยๆอ น, นามนึกใส่นึีละนิดทีละนิดน ด, ดับไปดับไปผลที่สุดไฟดับเมื่อไฟดับได้อาน้ําเทลงไปไฟมันไม่ฟู ข, ขึ้นมามันเย็นไปอันวิธีแก้ทุกข์ก็เช่นเดียวกันมันไม่มีเรื่องพระพุทธเจ้าท่านสอนมีแต่ทุกข์ใช้มัเนเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ใชมันตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ใชมันดับไปเนี่ยบางคนมาทุกข์ไม่มีเงินไม่มีข้าไม่มีของไม่มีรถิน ทุกเจ็บหัวปวดท้องอันนั้นมันควรคิดผิดทุกเกิดขึ้นคือควรคิดว่าอะไมันคิดตุกขึ้นมาเราไม่เห็นมันสร้างทุกขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นแล้วบันนี้เราในวิธีมันก็คิ ด, ค, ดนนคิดอันนั้นคิดอันนี้คนมันกิงอยู่ด้วยทุกกินด้วยทุกนั่งดทุกนอนด้วยทุกไปไหนมาไหนะไปด้วยทุกเท่านั้นเอาทุกนั้นแหละเป็นอารมณ์ไปยองไปศีรษะไป ไปใหนขอทุกตั้งไปอ น, นั้นเดีวผิดตั้งผลของไว้ผิดนี่จะไปเข้าใจอย่างนั้นก็คนที่พูดนี่เราต้องตั้งใจมันคลิดตัดทิ้งทันทีเมื่องอะไรก็ตามให้มันมาลูกอยู่ที่ลูกที่นานีเองลูกไม่แก่ลางไก่น้ําไม่แก่จิตใจเคลื่อนไหวที่ ม, ม, นนมันเป็นลูกเป็นน้ําอย่าไปแยกมันอันนี้น้ำในนี้เป็นลูกอันที่ลูกเป็นน้าอย่าไปเยกมัน พอเดมันไหลก็ตามมันไม่ไหลก็ตามมันรู้มันเป็นรูปอันนี้เลยว่าเป็นรูปเป็นน้ำนามรู้เนี่ยมันสองอันรูปนามนามรู้มันเป็นคนละคนอันนี่เรารู้รูปน้มอันนี้มันเป็นรูปอันนี้นามรู้กันมันมันไม่ใช่เป็นอันนี้เป็นรูปนาำตาเห็นจับถูกอันนี้เขาเรียกวารูปนามน้ำรู้เรามองไม่เห็นด้วยตพอเดมันคิดหมาปุ๊บเราเห็นปั๊บ แต่ไม่ใช่ตาเห็นตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาไปรู้อนั้นตเว่านามูกนามุกคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นทั้งนามมันเป็นทั้งลูกมันเป็นลูกคิดขึ้นมาเนีน่ตัวเวทนาก็สวย อ, อารมณ์เราเคยพูดจากนั้นเวทนาสัญญ า, าก็หมายถึงหมายรู้และจําได้สังขารเหลยกว่ารู้วิญญาณเรียกว่ารู้มันรู้แล้วมันเข้าไปในคนรู้อันนั้น อันนั้นพระพุทเจ้าหรือศัสดาใดก็าตามแลี่ยท่านกูรูกล่าวเอาไว้ว่าอวิชชาเป็นคนไม่รู้เรามาแปลกันเลยแก้ควรจริงมันทุกหน้อยมันไม่ทุกมากขำว่าอวิชชาเนี่ยเราไม่รู้ออกจากคนคิดอันนั้นมันเข้าไปในคนคิดอันนั้นมันเป็นคนรู้ที่แก้ทุกไม่ได้อย่างนั้นเมื่อคิดอย่างนั้นมันไม่ทุกแลส้สมมุติเรามีมีครอบครัวก็าตาม ว่าเป็นม hmm, ุนเป็นสาเขาตามคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ขมัดอยากเห็นหน้าเขาอยู่ทุกเวลาเนี่ยหลวงพ่อก็เคยมีอยมางนันเคยมีคิดถึงเขาแตัวคนจริงเขาไม่ได้คิดถึงเราเราคิดถึงคนเดียวเราเราเป็นบ้าคนเดียวเราเราไม่ทุกคนเดียวเราคิดถึงเขามองเห็นหน้าเห็นตาเขาดีใจได้ยินเสียงพูดเขาก็ดีใจขึ้นมาเนี่ยมันเป็นทุกขแล้วอนี้มันโตกะนั้นต้องารศึ อย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปตั้งความหวังเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไม่ได้ตั้งความหวังกับใครทั้งหมดเลยตั้งแต่เมื่ออายุสี่สิบหกปีนั้นะมาปีสองพันห้าร้อยหพ่อไม่ได้ตั้งควคิดแล้วกับใครทั้งหมดไม่แต่มีคนหวังแล้กับคนนั้นไม่ได้มีคนหวังแล้วกับคนนี้ไม่หวังต่ออะไรทั้งหมดเรามาดูตัวเรานี่เองอเลยมาเห็นอันนี้มาเข้าใจอันนี้ก็เลยแก้ทุกได้เมื่อแก้ทุกได้อย่างนี้ทุกคนมันมีเหมือนกัน คุยผิวก็มีอย่างนั้นผู้ชายก็มีอย่างนั้นภาพแบอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นคนไทยคนจีนคนฝรั่งอังกฤษคนอเมริกาคนคำเหน่คนเวียดคนลาวถือศาสนาไหนก็ต้องรูอย่างนั้นดังนั้นจีว่าหลวพ่อกล้าได้ใครจะพูดยังไงก็ตามหลวไม่เชื่อใครทั้งหมดเลยถือศาสนาไหนก็ตามถ้าหกเชื่อพูดไม่ได้อันนั้นแปลว่าคนยังไม่รู้หลักพุทธศาสนา รู้หรอกรู้จำมาจากคำพูดของคนนั้นคนนี้รู้จำมาจากตำลับตำราไม่ได้รู้ตัวจริงดังนั้นคนเดือนรูนม้มากๆเอาเหาัวไปฝังไว้กับคนรู้อันนั้นเนีลยเข้าไปในคนรู้อันนั้นเจึงมีทุกมากคนบางคนหลวงพ่อไปอยู่ที่วัดสมบูรษานปีสิบแปดนั่นหละคนเชียงใหม่มีลืกสาวคนเดียวพ่อแม่เป็นคนรวยมาก <c oughs> มีโรงสีมีโรงงานมีโรงมันแข็งมีอะไรหลายอย่างไปเรียนหนังสือจากไหนไปเรียนหนังสืจากประเทศอเมริกาพอดีสอบไ ด, ได้เป็นปริญญามาจะเป็นปริญญาโทหรือปริญญาเอกหลวงพ่อไม่รู้แต่คุณแดงเล่าให้ฟังพอดีเข้ามาถึงบ้านมันมันตั้งควงหวังไว้ผิดมันไม่ได้เป็นอย่าง พอดูมาถึงบ้านไม่ถึงห้าวันหร่อสองวันสามวันกันเด็กตึกมาตั้งแต่หลังตึกเก้าซันมันช่เด็กกระสันนะโ ด, ด็มาทีเดียว้วเรื่องถึงบินทีเดียวดูหักเลยมันไม่ใช่ตายดังที่ดูหักเลยดูหักแล้วมันมึงหายใจได้เขาเอาไปเดิพยาบาลคุณแดงไปร้องหลวงพ่อฟังหลวงพ่อถ้ามันไม่ตายจริงจรงหนูจะมาส้างหลงพ่อจะรับ ไ, ได้ได้ทำนั้นหนระือหลวงพ่อไม่ได้ มาผู้หญิงผู้ชายลงความลับไปทางนั้นหล่กฐานศาสนาไหนลงควาลับไปทางนั้นถ้าไม่โดนหายใจถ้าคนใบไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิมากเกินไปหลยพ่อพูดได้สอนได้แต่สอนแล้วไม่เอาก็ถือว่าคนนั้นมีมานะมีทิฏฐิเต็หลวงพ่าาไม่ได้ไปทุกข์กับคนนั้นคนนั้นจะทุกถึงมันตายก็ทุกข์ไปเถอะหลวงพ่อไม่ได้ยึดง้อไม่ได้แต่จำคนนั้นคนนี้ทั้งหมดเลยหลวพอแก้จุดหลวงพ่อไม่มีทุกข์กัพอแล้ว แต่เดี๋ยพ่อจะพูดเรื่องขอราะมันมีทุกข์เท่านั้นพอดีระ ห, า ห, าหา้าวเป็ื่องตายอย่านตายแล้วเนี่ยพอแม่ก็เลยไม่รู้เงินทองนั้นมีประโยชน์อะไรเรื่อมันช่วยอะไรเราได้คนรู้เป็นเรียนงปริญญามานะจากมุม น, นอกนอมันมันช่วยอะไรได้มันช่วยได้ที่ตายเท่านั้นะตายนั้นนหละมันช่วยได้คือตายเท่านั้นะอันนั้นเรียก ว, ว่าอวิชชาเป็นคนไม่รู้มันรู้แล้วมันเข้าไปในผมรู้มันตั้งความหวังไว้ หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าจะเป็นอย่างนี้หวังคู่ครองอย่างนั้นหวังคู่ครองอย่างนี้มันก็เลยผิดหวังคนผิดหวังคนสมัย น, นี้เขาเรียกว่าอกหกักเอาไว้คนอกหกักเดี๋ย่หลวามไม่รู้ลหลวงพ่ออกหักนี่หลวพ่อเพิ่มาได้อยินใหม่ๆ น, นี่หลวงพ่ไม่รู้จริงๆเพิ่งจะรู้นะนะใครๆรู้เขาเรียกอกหกักเลย อ่าขอ ง, ง, ข ง, งรงือ้นเปนเรื่องขอกหักเา่งรุ่นคออะวะั้งนี้มันาะรักกันนี่แหละแว่าคนคนี้ลุลักเขาแต่เขาหักที่นี่หที่นี่นไม่ให้ลักเขาที่นี่อ่เขกักจริงอันนี้บอกคนมันอาจจะเป็นอย่างนันก็นได้เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะลักเราเลยเราไปเรียนหนังสือด้วยกันเราไปเรียนหนังสือเมือนอกันเข้ามาในเมืองไทยนึกว่าจะมาแต่งงานกับเขาเขาไม่ได้เรือง เขาไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานกับเรานี่แหละคนมันเสียหวังเสียหลักอย่าไปคิดอย่างนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าคนอกครับอันคนมาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนึกว่าเราจะรู้อันนั้นนึกว่าเราจะรู้อันนี้นบางคนนะเจ้าเจ้าหลวงก็เองอันนี้คิดว่าเมื่อว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะมีฤทธิ์มีเดชจะมองเห็นดินฟ้าอากาศบางครั้งจะมองเห็นรถบรรทุกนบางครั้งเมอง บางครั้งมันเลือกมาจากมองเห็นจิตใจตัดไปใส้นปอดของคนหรือมันคิดไปสารพัดกระเหไปอันนั้นมันตั้งคนคิดขึ้นมามันอยากไปตั้งใจอะไรอย่างทุกคนที่พูด่านี้พอดูมันคิดมาเลือกมาดูตัวเราใเลย้อัน น, นันเลือกแต่ข้างนอกมันเนื้อวิบัติสนอุปักิเลสมันเป็นกิเลสและมันคิดถึงคนนั้นคนนี้อันนั้นกิเลสกิเลสไม่สนมีตัวมีตนนะ เราไม่เห็นใจเรากอเจอว่าคนมันไม่เห็นกิเลสแล้วบางคนเข้าใจพระอรหันเนี่ยเหาะได้มองเห็ น, หนตักไตไส้ตอดมองเห็นอันนั้น อ, อันนี้โอ้วพระอรหันแต่คนนั้นคิดมันคนบ้าคิดคนบ้าคิดมันต้องคิดอย่างนั้นแต่คนนี้ปัญญาคิดมันไม่ได้คิดอย่างนั้นโลงพ่อเป็นบ้ามาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดปีเคอปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดปีเป็นเณรนอน จริงถึงอายุ46ปีเป็นบ้ามาอย่างนั้นแหละ ม, มันมีครอบเยี่ยงเกก็เป็นบ้าอยู่อย่างนั้นเะมันไม่รู้ควรจริงพระอาหารหันต์มันไม่มีเรื่องอะไรพระอาหารหันต์หมายถึงแก้ทุกได้แตัคนอื่น อ, อย่าไปเข้าใจว่ามองเห็นจิตใจคนนั้นมองเห็นจิตใจคนนี้นมองทุนนงไปโอ้ะมันมันเข้าใจผิดมันจะมองเห็นจิตใจคนนีน้มองเห็นจิตใจเราเนี่มันคิดอันไดเรานี้ เราเห็นเราเข้าใจแก้ได้ดิอันนี้แหละแจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงรู้แจ้งรู้จริงมันมีจริงๆคนมันมีคิดมันมีไม่คิดมันมีเสื่อเสมันมีดีใจมันมีเสียใจมันมีอันที่ไม่ดีใจไม่เสียใจตัวนี้มันเป็นอย่างนี้นเห็นมาที่ตรงนี้มันจึงจะตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆริ ง, รงคนเราหัคิดก็หมายถึงคนพูดอยู่ที่เราก็ตามเนี่ยต้างประยนเนี่ย มันหูนทิพคนบ้ามันต้องเป็นอย่างนั้นหูทิพย์คนมีปัญญาพอดีคนแสดงขึ้นมาพูดเรื่องธรรมะล้วก็รู้คนมันพูดเรื่องธรรมะแบบพวกเราก็รู้คนมันพูดธรรมะไม่ใช่ทางแบบพวกเราก็รู้ดังที่คนมายุเรานะหอย่างที่พูดเมื่อกีออ้เรอกหักเนี่ยเขามาแต่ว่าต่อเถียงยุบเราทําอย่างนั้นเอาคนวางให้หลักเรารู้ทันทีเออคนนี้หลอกเราแล้วนะตั้งคนบ่างพลิกว่าเราเลิกได้ทันทีอันนี้ แต่ว่าหูเทปไม่ใช่หูเทปจะเป็นกลางคนพูดอยู่บงเทปเราอยู่ที่นี่จังได้ยินไม่ใส่ยางไงคนพูดอยู่จังหวัด ต, ต่างๆเราได้ยินมันไม่ใสอยังไงเราได้มีกับผู้เราเองคนนั้นพูดให้เรายั่วแล้ดานที่มีจดหมายให้กันก็นได้นะตั้งคนสวังเนี่ยมันเป็นอันนั้นก็มีนะอยากไปเข้าใจจะอยากไปตั้งคนหวังนะคนๆใคตั้งคนหวังไปที่เราแก้ปัญหาที่เราคนอื่นแก้ให้เราไม่ได้ ผีก็แก้ให้ไม่ได้เทวด า, าก็แก้ให้ไม่ได้เที่ยสุพระเทเจ้าเองก็แก้ให้ไมได้มีแต่ท่านแนะนำเท่านั้นแหละอันนี้หลวพอได้ยินเจ้ขคณะอำเภอเชียงคานพระคูวิทิธรรมจารย์นี่หลวงพอเป็นบุกจิตท่านเล่าบทในสมัยเป็นหนุ่มแต่ดูคำเล่มของท่านเป็นภาษาให้วะ่ะท่านสอนวะ่ปะปักขาตัลโลตักขาคตาอันนี้เป็นภาษาบาลีแปยว่า ทุนั่นแะเป็นการเพงเพี ย, ง, ง, ยงเพื่อแม่แมววิธีปฏิบัติเท่านั้นเองการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเธอทําเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองท่านสอนอย่างที่เราสวดกันเมื่อกี้ได้กเหมือนกันสังทิปโก อ, อันพุลีจะเป็นคนเองอาการไโกได้ประกอบการเรื่องเวลาเนี่ยใครจะรู้จิตใจเราอ่ะนังอยู่ที่เนี่ยบางคนคิดไปนอกจกังหวัิก็มี ั ه, ้าหากผู้ใดมีแฟนอย่างแม่ขาวในีวลามีเมลมาลาให้สั่งว่าแฟนคิดถึงอยากมาดูเนี่ยผู้ชายไม่เห็นไม่ดูได้เห็นมามามาบนเหลือนี่ไม่ขาวใช่ไหมมาบนเหลือใช่ไหมนี่นี่แหละมาบนเหลือแฟนอยู่ทางด้านคิดถึงอยากมาดูเลยมันมันไปที่สุดคนคิดถึงเราอยู่ชีคิดทถึงเรียงใหม่งที่ไหนก็งนัะ นี่แหละมันสำคัญคนคิดที่มันเร็วที่สุดเลยวกว่สงฟางแรกเร็วกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้แหละเป็นปัญหาที่เราควรศึกษาคนอื่นรู้ได้เราไม่ได้อันนี้รู้ด้วยเราคนเดียวสมกับที่เราเจอสังสทึกติโกอันผู้รู้จะเพิงเห็นเองเราเห็นเองคนเดียวคนอื่นเห็นได้เราไม่ได้บางทีมันคิดไปถึงคนนั้น คิดไปถึงลูกก็ได้อย่างที่หลวงพ่อมีลูกหนึ่บางทีมันจะคิดไปถึงลูกก็ได้ทีมันเป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีแฟนละเดี๋ยวนี้ในบ้านตายแล้วมันไม่คิดถึงแล้ะไม่คิดถึงแล้วมีนเป็นอย่างนั้บางทีว่ามีมันคิดถึงกันได้ควรคิดอันนี้เมันเสพทางใจแต่ว่าเปพเมืถึงเนี่ยมันเสพทางใจเสพทางตายนี่เราต้องเข้าใจอย่างนั้นอันนี้แปลว่าอันพูดจากพูดอีกอัตราดิโกไม่ประกอบการเลยนี่นะ มันไม่ประกอบการเวลาอะไรบางทีมันคิดนอนกลางคืนมือถ่ายหน้าผากคิดไปอย่างนั้นแหละนี่มันไม่ประกอบวันไม่กดไม่ประกอบปีเดือนอะไรทั้งหมดมันคิดอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับน้าไหลแต่ท่านสออย่างนั้นดังนั้นเราต้องพยายามจริงๆอยากให้มันคิดไปได้พอถ้ามันคิดทําคนนี้จุดเดียวปัดทิ้งทันทีให้เข้าใจอย่างนี้นถ้าใครฟังแล้วนําไปแก้ปัญหาตัวเองได้จริงๆ ร, รับรองได้ ไม่จังมากอันเนี้ะยะเดินเป็เหมือนพระก็เหมือนกันอยากไปจ้างโกมวางเหมือน ก, กับผู้หญิงอย่างที่รัดเรานี้มีเมื่อหามาปฏิบัติธรรมะตั้งใจฟังไปพวกเราที่วดคำเป็นเนนดินเป็นพระนี่เป็นเมื่อขาวเมื่อดำก็ตามปฏิบัติธรรมะ บางคนไม่เข้าใส่คำว่าปฏิบัติธรรมะคำว่าปฏิบัติธรรมะก็มีสึบสั้มหันตึกหนึ่งที่เราตั้งใจเอาไว้ใอ้อใจของเรามันต้องตั้งใจเพื่อจะประพฤติปฏิบัติตัวเราเพื่อให้รู้สึงเห็นจริงตามเป็นจริงในทางพุทธศาสนาเราต้องเข้าใจอย่างนั้น ไม่ว่าจะปฏิบัติเห็นเขาทําก็ทําไปหรืเห็นเขาเล่มก็เล่มไปเกียดข้ามก็พักผอนไปยิ่งมีคนคิดขยันก็ทําไปแ ล, ะ ล, ะล้วรูิว่ามันหายเพราะมันเพื่ออะไรยัง ไ, รออยงไม่มีคนสนใจกันอยังไม่มีคนตั้งใจกันในการจะึกปฏิบัติธรรมเมื่อถึงคืนนี้ผม เคยปฏิบัติมาที่มันมาเล่าให้ฟังนี้ไม่เคยอดดูแต่คนจริงมาพูดให้ฟังการปฏิบัติธรรมนั้นที่แรกผลเองเข้าใจว่าการปฏิบัติแล้วก็มีผิบูลเริ่มมีกําลังเพราะนัมันเข้าใจผิดเมื่อตั้งใจไว้ผิดการปฏิบัติมันก็เลยผิดไป ไราจะไปเข้าใจยังไงการปฏิบัติธรรมข้อแรกที่ติดนันเราต้อ ง, งปฏิบัติที่ตัวเราเพื่อให้รู้ที่ตัวเราเองเมื่อเราศึกษาในตำลักตำลมันก็ชี้เข้ามาที่ตัวเราแต่เราเลยไปติดตำลักตำลาก็เลยไม่รู้ที่ตัวเราและครูบาอาจารย์เขหลายท่าน สอนไปเรื่อยเหมือนกันพรเองค์ที่สนอนนั่นแห ล, ละเราต้องคํานึงในองค์ที่สอนเราเนี่ยท่านนับรองเลยนะคำพูดของท่านคําูดของท่นยับรองไม่ได้คำพูดของท่านนั้นยังไม่เป็นแก่นเป็นสารมันไม่มีสารละมันไม่มีเนื้อหาเพาท่านเองก็ยังไม่รู้เราต้อเข้าใจอย่างนั้นบทนี้ให้เป็นบทสาคัญที่สุดเราจะยึดใส่ เพระนั้นพระพุทเจ้าของเรามีท่านเคยศึกษาและเรียนนานมากท่านไม่ได้รับรองในคําสอนของท่านที่ท่านยังไม่รู้นะท่านไม่รัดรองแต่ท่านก็เลยไม่ได้กอนเขาทั้งหมดเลยต่อเมื่อท่านมาศึกษาและมาปฏิบัติตัวท่านเองเมื่อเจริญสติเจริญปัญญาท่านมีสติท่านมีปัญญา มีมือยานปัญญายานรู้แจ้งรู้จริงแล้วท่านก็มีความหว่วงใยกับเพื่อนท่านก็เาอา แ, แบบนี้เราต้องพูดขนจริงพอดูท่านพูดขนจริงพวกท่านเคยได้เรีย น, นยมีลูกเหยียดเหมือนกันเนี่ยที่เราเคยได้ยินว่าจักรย์คืกคนหนึ่งที่กำลังแสวงหาธรรมะ ต้ก็การอยากรู้ธรรมะอยากหาธรรมะยุทธีที่ทางเป็นคุกข์ที่ทางแบบคุกข์นั่นแหละที่งก้างทางคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนั่นแหละเมื่อไปพบไปกับพระพุทธเจ้าถามพระพเจ้าพระพุทธเจ้าจแสดงคนจริงให้ฟังไม่เข้าใจเขาเลยสลับหัวไปเลยอันนั้นแปลว่าแสดงคนจริงให้ฟังแล้วไม่เข้าใจ เมื่อเราไม่เข้าใจแล้ว่าการปฏิบัติของเราก็เลยไม่ได้เมันท้ก็เหมือนกัรคนสมัยนี้เมื่อต้องการคนจรงิงเมื่อหิ้นบุคคนพวกคนจริงให้ฟังก็เลยไม่สนใจผมเคยได้ยินบ่อยๆใครๆก็ตามพู้คนจริงให้ฟังเลยไม่ไม่สนใจไปสนใจเอาสิ่งที่ไม่มี่าระไม่มีเมื้อหา อบควรสนุกเฮฮาไปอย่างนั้น น, นั้นแปลว่ามอนไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนาหรือว่าไม่สนใจทางดับทุกข์โวยเองไ่จรงดัง น, น, นั้นวิธีที่เอามาปฏิบัติจริงๆนั้นคือปฏิบัติตัวเราอย่างที่เราทำวัดจบไปเมื่อกี้นี้ว่าเราจงอย่าอย่าเป็นผู้ทำมา เราอย่าเป็นผู้ประมาทคำว่าประมาทในทีนี้ก็เราลืมตัว น, ะนั่นแหละไม่อยาก เ, เป็นประมาทคือไม่สึกษาที่ตัวเราเนั่นแหละเมื่อเรามาสึกษาที่ตัวเราอ้แปลว่าเราเป็นคนไม่ประมาทศึกษาที่ตัวเราก็ทําคนรู้สึกับตัวเราข้อแรกที่สุดเราต้องกหนดนิ้ให้มีสติกาหนดนิ้ตัวเรา อันนีเป็นการศึกษาและเป็นการปฏิบัติไม่ใช่การศึกษาแล้เรียนการศึกษาแล้วเรียนนั้นมันพูดอยู่นอกตัวเราการศึกษาและปฏิบัตินั้นมันเจ้าปฏิบัติที่ตัวเรากําลังทํากําลังพูดกําลังคิดมันทําอย่างไรมันพูดอย่างไรมันคิดอย่างไรเราต้องมองทะลุเข้าไปที่ตรงนี้เมื่อเรามองที่ตร น, นี้ เราก็รู้ก็เห็นก็เข้าใจควรู้คนเห็นคนเข้าใจด้่ยมีฟองประเทศที่เรารู้มีคนอื่นพูด่องฟังเรารู้อนนั้นเป็นเพียงคนคิดมันพึ่งไม่ได้คนคิดประเทศนั้นมันแก้ทุกแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้คนรู้สักนิดหนึ่งมันรู้ขึ้นมาจากจิตส้นนึก เมื่อยามของปัญญาลุนั่ก็เป็นปัญญาลุยามของปัญญาคือ้องมียามยามใจรู้ทัศน์นะรู้แล้วกับปัญญาอคอยๆดูตามมูวิภาควิจารไปตามอันนั้นอั น, นั้นมื่อายามปัญญาลุนก็เป็นอุปัฏนาขึ้นมาการปฏิบัติจะไปแก้ทุกได้ การปฏิบัติแบบที่ผมนํามาเล่าให้ฟังวันนี้จะเป็นพระปฏิบัติก็ได้เหมือนกันเป็นเมรุปฏิบัติก็ได้เหมือนกันเป็นญาติเป็นโย ม, มปฏิบัติก็ได้เหมือนกันเป็นผู้หญิงผู้ชายปฏิบัติได้เหมือนกันหรือเหมือนกันทุกคนเพราะทุกคนมันมีกายมีใจคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดม น, นั่นเองผมก็ และยืนยันรับรองอย่างนี้มาหล า, หลายครั้งหหลังผลตั้งแต่ปีที่ผมรับรองมาปีสองพันห้าร้อยตัวเนี้ยผมเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระเจ้าไม่มีอะไรมากนอกจากเอามารกเกอรทุกตัวเอาเขามันอีกเมื่อเรารู้เราก็เอามาร์ก้กอทุกตัวเราเมื่อเราไม่มีคนทุกแล้วจะสอนคนอื่นเขาต้องไม่มีทุก เพราะคนมันมีทุกข์มีทุกข์เพราะคนคิดนี่แหละทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราไม่เห็นคนคิดนี่แหละตัวคนคิดจริงๆนั้นมันก็ไม่ได้มีทุกข์ที่มันมีทุกข์เกิดขึ้นคือเราคิดขึ้นมาเราไม่ทันรู้ไม่ทันเห็นไม่ทันเข้าใจคนคิดทนั้นเราก็เลยเป็นโลกเป็นโกดเป็นหลองไปเมื่อเป็นโลกเป็นโกดเป็นหนองไปแล้วมันก็นำทุกข์มาให้เรา ดังนั้นพระก็ไปเจ้าให้จิต ส, สอนให้เรา่คอยระ ม, มัดในวังที่จิตที่ใจเราไม่เคยดูใจเราบางคนเกิดมาจนตายก็มีบางคนไม่เคยดูชีวิตจิตใจของเราเมี่ยเป็นยังไงการปฏิบัติธรรมะก็ไปปฏิบัติที่อุณตุไปปฏิบัติอยวันที่ขอผู้เป็นเข้าไปอยู่ในถ้ำ ในตาหรือไปอุดข้าวหนุไปอยู่นั้นหรือไปยั่งหลัตกตาคนหมุ่มไปอยู่นั้นคนนั้นแปลว่าคนย่างไม่รู้ค น, นยังไม่รู้ทำไปตามเขาคิดอย่างราก็ต้องทําไปอย่างนั้นมันไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรอย่างที่คนเล่าเนี่ยไม่ต้องเข้าไปในถ้าไม่ต้องไปหยุดตา ไม่ต้อไปที่หนเลยเราต้องอยู่ที่ตัวเรานี่แะไปไหนมาไหนต้องปฏิบัติอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราไปบินทั บ, บาศแล้วก็ดูใจเราไปเมื่อมาสัน่นเราก็ดูใจของเราดูการเคลื่อนไหวของเรานเป็นการปฏิบัติธรรมนะหากงเป็นยอมนเนี่ยไปทําการทํางานก็ต้องดูใจของเรา เมื่อเรากำลังพักพรอนแล้วก็ดูใจของเรานี่เป็นการปฏิบัติธรรมะเมื่อเ่าปฏิบัติธรรมะแล้วไม่จ้างทำการไม่จ้างทำงานไม่จ้างคิดไม่จ้างหาอันนั้นไม่ผูกผมเคยทำมาแล้วเลยพว น, นท่านขางในนังอยู่ในขณะนี้เนี่ยใครใครมีมีคนโกรธอยู่นี่หนึ่นงถาม มใครมีควโกรธใคราโกธองถามน่อยไ่มีไมมีไม่มีไม่มีใครโกรธเนี่ยไม่มีแล้ในขณะบางข้างท่านโกรธเป็นไหมเป็นครับแล้วมันมันมาจากที่ไหนท่านเห็นไหมมรูครับนี่นที่เร่ร่อนเนี่ยครับมันเป็นคนดูมตัวมันนี่แหละเพราะว่าจะทำสอนไม่ใช่ว่าท่านรักษาศีลเข้่ขัดแล้ะคนโกรธมันหาย ไม่หายเมื่อโกกูดไ้่หายท่ า, ม า, มานมีสิ่งไหมไม่มีครับเมื่อกระทบ้เองเนี่ยสินมันแปลว่าปกติเวลานี้ท่ามจิดใจท่ามเป็นปกติเวลเนี่ไม่ได้ท่านมีสิ่งถ่าเมื่อเวลาใดขนาดไหนวิานาทีใดที่ิดปกติมันเก่ดสิ่เไม่มีท่านจะไปอดข่าวอดนอนอดอนา มันไม่มาดูที่ตรงนี้ไม่มาศึกษาที่ตรงนี้ไม่รูจริงๆเรื่อง น, นี้เป็นผมเคยเคยละขษาสิงผมเคยเป็นเมแต่รักาษาอุโบสถสิงผมกว่าผมมีสิ่นี่เป็นยัแต่เมื่อมาที่จามาแล้วสิน้นแปลสุคตินี่ขั้นสุติไปแล้วกับแปลว่าไม่มีสิ่ง โลภะเกิดข no ึ though, <laughs> ้นอยากได้ของคนนั้นคนนี้อันนั้นก็ได้ไม่มีสิงและโทสะเกิดขึ้นคิดอิจฉาลิขยาคนนั้นคนนี้อันน่้ก็แปลไม่มีสิ้นละแปลโมหะมีคุณไม่มีจริงนั่นแหละควไม่มีจริงแปว่าไม่มีสิ้เข้าใจอย่างนี้สิ่งแปลปกติ คือเมื่อมีวีไมมีทั่วคือโสโสด้วยหล่ะไม่เป็นคนมีศินไม่ถนอมมือเนี่ยพวกเรามีศินพระก็มีศินเองก็มีศินญาติโยมก็มีสินถ้าหักผิดปกติขึ้นมาเวลาใดเวลานั้นเห้พวกเราคิดว่าเราตาแล้วเราไม่มีศินแล้ะเรามีทุกข์แล้วม่เป็น แม้นนคนเป็นปกติคนมีสิ่งนั้นก็ทาการทางานพูดคิดอะไรต่างๆไม่พลาดเพราะคนมีสิ่มันจะคิดได่ทำมงคนที่พูดแล้วก็่มีสิ่งิตเท่นั้นเพราะสิเป็นเครื่องกำจกกัดที่เป็นอย่างหยาบเนี่ยเราเคยพูดกันอย่างนั้นใช่ไหมใช่เนียกตันคนป่วยมันเนยากไม่ได้เหมือนละเอียดหยากครับน ทุกทุกคต้องรู้อ ย, อย่างนี้มันยากที่จะติดแบบนี้แล้วถ้าหากว่าท่านเปคนโกรธอยู่แล้วท่านจะมีศีลได้ไหมแล้วก็มีไม่ได้สมาธิกําจัดกิเลสอย่างกลางนะะี่ครับอย่างกลางก็มีกลมเคลื่อนไหวปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดเขาเจาะอย่างละเอียดเขาเจาะจัดโมหะมันเป็นมันเป็นคู่กัน มือโทสะมือโมหะมือโลภะเมื่อเรามีสติมือสมาธิมีอปัญญาแล้วเขาเรียกว่าโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะโลภะไม่เกิดขึ้นได้เพราะมือสติมือสมาธิมือปัญญาแต่อาศัยญาณอันที่ผมพูดนี้อันนี้เพื่อได้ยินได้ฟังได้จําไว้ เมื่อเราไปไหนมาไหนะควาคิดมันยืดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราต้องทำบ่อยๆอันนี้คอยดูคอยแลเมื่อเราดูบ่อยๆเราก็เห็นเราก็รู้เมื่อเราเห็นเรารู้ความคิดอันนั้นมันไม่มีโทสะมันไม่มีโมหะมันไม่มีโลภเขาเรียกอะ โ, อะโทสะอะโมหะอะโลภะ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 หลักธรรมะคุณสัมผัสติโก้องคผู้นี้จะพึงเห็นเองมันไม่ใช่เป็นรู้มาจากตำหนักตำลาเราเห็นเองเรู้เองเข้าใจเองไม่ใช่เป็นคนเกียดค้านก็เป็นคนเอาการเอางามก็เป็นคนขยันอาการลิปโก้แปลว่าไม่ประกอบการไลืเวลาจะเป็นเวลาไหนก็าาตาม การปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจถ้าเรามือลมหายใจอยู่เราจ้อปฏิบัติธรรมะถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมะก็เสือเราหมดลมหายใจเป็นาไม่ใช่เราจะนึกไปคิดเอาหลังเอาอันนั้นไม่ไม่เป็นอย่างนั้นคือเราเป็นนึกไปคิดไปหวังเอาอันนั้นไม่สงหวังไม่สมหวังสมมติว่าเราต้องการอยากมีเงิน เราไม่ทำงานมันก็ไม่ได้เงอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องการปฏิบัติธรรมะเราอยากรู้ธรรมะไม่ปฏิบัติมันก็ไม่รู้เราแม่คิดเอาอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้ที่เราเรียนมันอันนั้นเปิไม่รู้คิดเอาโอ้คิดเอาแล้วกขาคงเป็นอย่างนั้นคงเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อมันมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันโผล่ขึ้นมา มันจะมีประโยชน์อะไรอันอนงผมที่เรมันโกรธขึ้นมาคนโกรธนี่มันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขเป็นทุกข์ท่านชอบไหมไม่ชอบเมื่อไม่ชอบท่าจะทำยังไงมันจึงจะไม่โกรธขึ้นมาเือสติเขไปกำหนดรู้ครับเมื่อสติเข้าไปกาหนดรู้เมื่อสตินั่นหระเข้าไปกาหนดรู้เมื่อสติเข้าไปกาหนดรู้แล้วมันก็ไม่ต้องโกรธเลยใช่ครับ อันนี้เลยเป็นการปฏิบัติธรรมะเรื่องเต้นที่สุดอุดรเล็กที่สุดบันนี้เป็นพระโกรธเป็นไหมเป็นครับเนี่ยเป็นโยนโกรธเป็นไหมเป็นครับเนี่ยมันไม่ยกเว้นใครทั้งหมดเลยคนมีเงินมากๆก็โกรธเป็นใช่ไหมคนจนๆก็โกรธเป็นเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอันนี้แหละการปฏิบัติธรรมะเรื่อปฏิบัติได้ทุกชั้นทุกรา ตป็นพระก็ปฏิบัติได้เป็นโยมก็ปฏิบัติได้เป็นใครใคปฏิบัติได้ทั้งนั้นเพราะปฏิบัติเพื่อแก้ทุกนี้เองถ้าเราไม่มีทุกเราไม่ต้องปฏิบัติทันมากแล้วแต่เในขณะนี้เราไม่มีทุกแต่เมื่อเหตุเกิดขึ้นมันมีทุกเราต้องเตรียมไว่ยอยากเป็นผู้มไม่สมารเมื่อเราไม่มีทุกเราต้องศึกษาฝึกผลอบรมปฏิบัติไว้ เมื่อเราศึกษาฝึกฝนอบรมปฏิบัติเอาไว้เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นจากหน้าเราเราแก้ได้ทันทีนี่เป็นการปฏิบัติธรรมเมื่อเราแก้ไม่ได้กับส่วนเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมมอนที่เราจะนำเอาคนนี้ไปสอนคนอื่นนั้นเราจะรับรองได้มีวิธีอย่างนั้นจงปฏิบัติอย่างนั้น มันจึงเข้าใจอย่างนั้นมันต้องเข้าใจไม่ใช่จะไปพูดอะไรว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นแบบนั้นมันมไม่แน่นอนหรือผมพูดหรือผลรักรองได้ไม่ต้องไปศึกษาแล้วเรียนอะไรมากถ้าหากว่าเรามาศึกษาปฏิบัติที่ตัวเราแล้วเมันแบบถูกต้องถ้าปฏิบัติอย่างนี้นะครับทำคนรู้สึกตัว ทำกลมตุนตัวอยู่เสมอวิ่่า่่่เ่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่้่่่่่่ใ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่็่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อง่่่่่่่่่่่่่ะค่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ คนเคยสิน้นมือครับคนเคยสินันมีอพอดีจิตใจมันไหลตัวขึ้นมาเราจะรู้ทันทีเมื่อเรารู้ทันทีแล้วนททนะคนคิดมันก็เลยไม่ได้ปรุงมันก็เลยไม่มีทุกเหมือนกับเราอยู่ที่เรามีไฟฟ้านะบ้านนี้คนที่ไม่รู้ถึงเวลาเราตั้งการคมสว่างก็ไปจับยอดใสหมูดันใสจะมีใสไหมไม่มี แบบ น, นี้คนที่สลาด น, น, นั่นแนี้ถึงเวลามันมืดเราอยู่ที่มืดเราแจ้งกางคนสว่างเขาไปจับเอาสวิตมาใส่มันจะสว่างไปไหมอันนี้ก็เหมือนกันเลยครับคนโกรธคนโลภคนหลงไม่ต้องไป็นมดไปคิดกันไปมั้งแต่เรามีสติคอยดูจิต ด, ดูใจนี่แหละพอดีมันคิดเราเห็นเหารู้มันก็มีคนสว่างขึ้นภายในใจเรา เราก็แต่แว่าเราก็อยู่ในทีน่นี่มันไม่เกีย่ยวข้องกับเรื่องการรักษาศีลเป็นเรื่องรักษาศาีนมันไม่เกีย่ยวข้องกับเรื่องการอดอาหารมันไม่เกีย่ยวข้องเรื่องนี้ทั้งหมดเลย ah. แต่เราอดอาหารก็ดีเรารักษาศีนก็ดีอันนั้นมันเป็นตัวเป็นพนื้นมันแต่เมื่อเรารู้มีคนที่รู้มาสอนเราจริงจงแิแล้วเราจับจุดเดียวเท่านั้นใส่ได้ ทำการทํางานอะไรก็ใส่ได้เราคิดว่าอยากไปรักของคนอื่กระติดติดแบนนี้ถ้ารักของเขานี่ยเขามารักของเราเป็นยงไงเราพอใจไหมถ้าคนอื่นรักเราไม่พอใจเมื่อเราไปรักของคนอื่นคนอื่นเขาจะพอใจไหมเขาพอใจเออแล้วก็เห็นแบบนี้แหละแบบนี้เราเป็นคนอื่นไหมแบบนี้คนอื่นจะพอใจไหม ตอนนี้คนอื่มาตีเราเรพอใจไหมเราไปโกรธคนนั้นคนนี้นี่คนที่รับำคำโกรธของเราเขาจะพอใจไหมพอใจตอนนี้เขามาโกรธเราเราพอใจไหมเราพอใจตอนี้แหละปฏิบัติธรรมะให้มันให้มันรู้อย่างนี้ ใ, ให้เราเห็นตรงนี้อยู่ตลอดเวลาเราพูดอย่างสบายสบายใครจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ที่เราพูดให้เขาฟัง คนที่เราพูดธรรมะให้คนฟังนั่นแต่คนเมื่อเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจเขาจะตำหนิเราเขาจะนินทานเราบางคนตามมําหนิคนมินทานั้นเขาไม่เข้าใจว่าเขามีทุกข์คนที่กําลังตำหนิอะไเนาะคนไม่มีทุกข์แล้วที่เขากำลังนินทานอะไรเขามีทุกข์แล้วแต่เขาไม่รู้ว่าเขามีทุกข์เราต้องช่วยได้เขาตำหนิเรา เขามึงทาเราเราก็เฉยได้เขา ส, มสนมารถเนเราเขายกย่องเราเราก็เฉยได้เพราะเราเห็นว่าควรทุกนี่นม่มันไม่ใช่มีคนอื่นเอามาให้เราเราคิดขึ้นมาเองคนเดียวเราเมื่อคนอื่นพูดให้เราเราจะปฏิเสธได้คำพูดของคนนั้นเพราะเราเห็นคนคิดเราแล้วนี่เราก็ได้มีทุกอยเลยนี่แหละอันสองของพระพเจ้าจุดนี้เป็นจุด สำคัญจุดเริ่มต้นที่สุดเุื่อคนควรศึกษาเพืคออนควรปฏิบัติเพืคออนคนนี้ถ้ารู้จุดนี้นะฮะมันจะค่อยรู้ค่อยเป็นคไปจริงเราอยากให้ใจว่ามาที่นี่อย่างที่เรามาวัดส น, นามในเนี่ยแเราก่นมุว่าเป็นจนูกปฏิบัติเราอ ย, อยากดืก่อย่างไรก็ดื่ไปอยากกินอยา่างไรก็กินไปไม่มีการประพฤติปฏิบัติ มันไม่ได้ผลบางคนปฏิบัติได้กมดเท่งเป็นไปหลังได้จะเอาจริงเอาจัิงสองวันความวันหายไปเลยนี่นไม่ไม่จริงแต่ว่าคนไม่จริงคนที่จริงนะครับผมพูดตัวผมเป็นคนที่จริงไม่ต้องพูดอะไรมากใช้เวลาก็ต้องทำในเรื่อยไปยู่กับเพื่อนกับเพืก็ทําเรื่อยไปทําที่ในใจนะไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยอะไรมาก คนที่บางคนไอ้จริงเอาจังนึกเดือวทำอะไรอื่นไปคูยกับเพื่อนไปแหละอันันไม่จริงเหมือนกับคุถังมันล้วนก้นมันไม่ตูดมันแล้วเอาน้ําเทลงไปน้ามันไม่เต็ดมันก็ล้วนหนีหมดมันก็ไหลออกไปเมื่อน้าไม่ไม่มีรนเราก็ไม่มีอันกินและจ้างการน้ำก็ไม่มีอันกินแต่เมื่อคนที่ติดน้ำดี เราก็อยู่นําเพื่อนกันเงียบเงียบอยู่คนเดียวกันเงียบเงียคือเราดีใจเราไม่ต้องพูดจ้องคุยถึงจะไปฟงัง่อนพูดคุยเรดูใจนะเหมือนกับกู้ถังหรืออะไรที่มันละเอียดดีที่มันไม่ตตกใน่ทะลุไอ้น้ำเทลงไปมันก็เก็บนําได้เพราะมันละเอียดแล้วอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติจริงๆ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 เมื่อเราทําลายจิตนี้ได้ เ, ไดเรกเ า, าก็เป็นพระได้โยมก็เป็นพระได้พระก็เป็นพระได้เมอก็เป็นพระได้นี่คาสอน ข, ของพวกเซนเขาพูดกันอาอยุห้าปีหกปีแล้วก็ปีสิบปีเป็นพระได้พวกเราเคยได้ยินเ่อเมือก็เป็นพระอริยบุคคลได้สมัยกรุงก่อนนะเคยได้ยินไหม ในสมัยอก่อนวัเดินคนมีการบรรลุเป็นพระอริย บ, บุคคลได้เคยได้ยนหม้ไม่จะมาเบีอันนี้อันนี้เป็นเรื่องสมมติมันเป็นเรื่องสมมติเรื่องจิตใจมันสมมติไม่ได้มันเหนือเหนือจากการสมมติไปจรอันนี้เบียดแล้วก็จิตไปแล้ก็บียดมาอันนี้จึงว่าเป็นเรื่องสมมติถ้าเราศึกษาถ้าเราลุกจากเรื่องสมมติจริง มันเลื่องคนจนมากสาวพุทธเอกไม่เคยรู้จักสมมุติทำไมจีงไม่เคยรู้จักสมมุติพราะคนสอนคำเป็นเรื่องสมมุติสอนคามากพระพุทธลูกเนี่ยผมเองไม่เคยรู้แต่ ก, ก่อนผมได้ทราบพารุทธรูปนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ศักดิ์สเข้าใจอย่างไงจะดูเมื่อมีแล้วอยจะไปทำลายแต่เมื่อไม่มีแล้วก็ เฉยเฉยได้เดี๋ยวนี้ผมเฉยได้มือก็ได้ไม่มือก็ได้มันเป็นเรื่องสมมติมือไม่ได้ท่านก็ไม่ได้สอนผมท่านเคยเห็นพระพุทธรู้ครับแล้วท่านสอนไหมต้องสอนไม่พูดอะไรจับท่านหนระ อ, อก็มือก็ทนั้นเองไม่มีก็เท่านั้นเอ ง, เองแต่ทำตัวของเราเป็นพระนะครับไปได้ไม่เป็นะพระเป็ว่างสิ่งที่ประเสริฐอันนั้นท่านไม่สอนลรว ก็เป็นเพียงสมมติเป็นนักธรู้เท่านั้เหมือนกับเราที่มองเห็นนี่แหละเห็นกมม็เป็นสมมติเป็นนักธรู้ก็เพียงหนึ่งเราเห็นไม่ดตาเมื่อที่อันทาลายคนโกรธคนโยกคนหลงนั้นอันนั้นแหละเป็นพระโดยเหนือสมมติตปมองไม่ เ, เห็นเขาเรียกว่าเป็นสัจธรรคื อ, อยางให้ดูโดยนเนี่ยอันมือเนะนี่ยลัให้ดูให้มันเป็นสัจธรรมอยู่ตลอดเวลามันมีแล้วอยู่ในคน ว่คนเลยไม่มาสนใจที่ตรงนี้พอดีมันโผล่ขึ้นมาเราคนเลยไม่เห็นไม่รู้มันเป็นทุกขมันเป็นทูกข์ขอกาดื้อเล่นขึ้นมาแล้วกันไปวินพาว่าวาคนนั้นคนนีหาว่าคนนั้นคนนี้พูดให้เราแต่คมจริงเขาพูดเรื่องของเขาเขาไม่ได้พูดเรื่องของเราจนวันเขาเรียกว่าหมอค น, นมาก เราก็หาว่าเขาพูดให้เราเพราะคนจริงคนที่พูดให้เราเนี่ยเขาเป็นจุนมากเป็นหมาเพราะเขามองคนไม่เห็นคนเป็นคนจิตใจเขาเป็นหมาเป็นสุนมากล้วก็เฉยได้อย่างนี้พะอะไรเห็นได้อย่างนี้อันนี้เปรยานของปัยญารู้ยานรู้มันเล่เข้าใจยังไ้อันนี้เราก็ไปหาว่าเขาพูดให้หลาเพรละเเนโง่ที่สุดอันนี้นี่มันเป็นยังไง วิธีปฏิบัติมันไม่มากอที่นํามาเล่าให้ฟังแบบนี้ต้องเก็บจำเอาไว้วิธีปฏิบัติง่ายๆเราต้องทำตัวของเราเป็นพระเป็นพระเป็นเมงก็เป็นพระเป็นเมงอยู่ในวัดเป็นวัดเป็นเมงก็เป็นพระอยู่ในบ้ า, านในเมืองก็ได้ทำนี่แหละเป็นทางไปสวรรค์เป็นทางไปนิพพานถ้าหากว่าเป็นพระเป็นเมงมีโกสมีโรคมีหลวงก็เป็นทางไปมาลกเหมือนกันท่านจ็นซอนอะไรคนโบราณมาสรค์อยู่ในอก มันล็กอยู่ที่ใจเล็กในใจเนี่ยมันมันไม่ได้มันมองไม่เห็นอันนี้ให้เข้าใจท่า น, นที่นมาเล่าให้ฟังวันนี้ก่อนสมควรเนีวยขอจุดระเบียงแค่นี้วันนี้คนี่มัน์คุกเขากันในป่าเปลาอบค